มงคลชีวิตมงคลที่สิบสองการสงเคราะห์บุตรปุตตะสังคโหเอตัมมังคะละมุตตมังการสงเคราะห์หมายถึง การช่วยเหลือหรือเป็นที่พึ่งให้บุตรธิดาบุตรหมายถึงลูกชายและลูกสาวที่ชื่อว่าบุตรก็เพราะมักกระทำความร้อนใจให้แก่มารดาปิดาความสำคัญของบุตรบุตรธิดานี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นที่ตั้งที่พึ่งของมารดาบิดาในยามเจ็บป่วยหรือยามเท่าชราซึ่งเป็นยามที่มารดาบิดาอ่อนแอต้องการผู้ดูแลและจัดการงานแทนนอกจากนี้บุตรธิดายังมีผลต่อความสุขและความทุกข์ใจของมารดาบิดาด้วยเรียกว่าสุขก็สุขด้วยทุ ก, ก็ทุกด้วย หลกการสงเคราะห์บุตรธิดา 1. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 2. เป็นธุระเรื่องคู่ครองที่เหมาะสม 3. ห้ามปรามและป้องกันจากความชั่ว 4. เป็นแบบอย่างของคนดีให้บุตรธิดาเห็น 5. ดูแลอบรมสนับสนุนให้ตั้งอยู่ในความดี มอบทรัพย์หรือรางวัลให้ตามโอกาสต่างๆการสงเคราะห์บุตรจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ครอบครัวเป็นสุข 2. ได้ปฏิบัติหน้าที่ของมารดาบิดาที่ดี 3. ทำให้เป็นที่รักที่เชื่อฟังของบุตรที่ดา 4. ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งในด้านคุณธรรมและความสามารถ